ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตตาประภาปุภภาพสิกขาและบุภาพสิกขาวันน า, นาพระอมาราธิรขิตะอมโบรเกิดวัดบรมนิวาสรจชนาต่อไปจากพันานาในพินทวาทิฐานาจิปัฏพระข้อที่ห้า ว่าด้วยเรื่องของการพินทุอธิษฐานวิธีการทําพินทุอธิษฐานเป็นต้นจะกล่าวด้วยผ้าควรอธิษฐานก่อนผ้าควรอธิษฐานมีเจ็ดอย่างคือไตรจีวรผ้าสามผือนอย่างหนึ่งวสิกะสาติกาผ้าอาดน้ำฝนอย่างหนึ่งนิสติดนะผ้าผูนั่งผ้ารองนั่งอย่างหนึ่งปัจจัทรณนะ ผ้าปูนอนอย่างหนึ่งการดูปติฉาดิผ้าติดฝีอย่างหนึ่งมุขะปุญชนะโจระผ้าเช็ดหน้าอย่างหนึ่งปริขารโจรแล้วก็ท่อนผ้าเป็นบริขารใช้เล็กน้อยคือพวกผ้าตรองน้ําพวกถุงบาต ท, ที่ได้ขนาดผ้าเหล่านี้ต้องอธิษฐานตามชื่อแห่งตนแห่งตนโดยทรงอนุญาตไว้ว่าอนุชานามิพิขเวก็ความละ จีวรังอธิฐาตุงณวิกัปเปตุงวัสิกะสาติกังวัสานสะจาตุมมาสังอธิฐาตุงตโตปรังวิกัปเปตุงปัจจัทรนังอธิฐาตุงณวิกัปเปตุงการุปฏิฉาดิงยาวะอาบาธาอธิฐาตุงตโตปรังวิกัปเปตุงมุขาปุลชนโจรังอธิฐาตุงณวิกัปเปตุง ปริฆาราโจรังอธิษฐาตุงณนะวิกัตเตตุงแปลว่าเราตถาคตอนุญาตให้อธิษฐานไตรจีวรไม่ให้วิกัตให้อธิษฐานผ้าวัสิกะสาธิกาสิ้นสีนน่เดือนแห่งฤดูฝนเบื้องหน้าแต่สีเดือนให้วิกัตให้อธิษฐานผ้านิสิธนะไม่ให้วิกัตให้อธิษฐานผ้าปัจจัตตารณะหรือผ้าปูนอนไม่ให้วิกัตให้อธิษฐานผ้ากันดูปฏิฉาดิ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 ทำให้ถูกตามลักษณะให้ได้ประมาณและย้อมให้ได้สีทำกับปะพินทุแล้วจึงอธิษฐานจะไม่ตัดไม่ควรโดยทรงท้าไว้ว่าณพิกเวอชินนากานิจิวราณิทารตบานิแปลว่าอย่าพึงทรงผ้าที่ไม่ได้ตัดถ้าเธอใดทรงผ้าไม่ได้ตัดต้องถูกกดเมื่อจะทำให้ถูกลักษณะพึงทำดังพระองค์ตรับชมพระ อ, อนนท ทรงอนุญาตว่าปันยิโตพิกเวอานันโดก็ความละกุสิงตินามะกริสติอัทธากุสิงตินามะกริสติก็ความละฉินนกังอันตรวาสกังแปลว่าดูก่อนทิกษุทั้งหลายอานอน์เป็นคนฉลาดมีปัญญาใหญ่ได้รู้เนื้อความแห่งคำที่เรารถาคตภาสิตโดยย่อได้โดยพิดารณาเธอได้ทำทั้งกุสิ ทั้งอัทธากุติด้วยทั้งทั้งมนทนทั้งอัทธมนทลด้วยทั้งทั้งมิวัตตาทั้งทั้งอนุวิวัตตะด้วยทั้งทั้งคิเวยากะทั้งชังเคยยกะด้วยทั้งทั้งพาหันตะด้วยเป็นผ้าตัดเส้าหมองด้วยสัตราเป็นสมณสารูปเป็นผ้าอันควรเป็นฆ่าศึกคือโจรไม่เพ่งเฉพาะคือไม่อยากได้ด้วยและเราตถาคตอนุญาต สังคาติก็ให้ตัดอุตรสองก็ให้ตัดอันตรวาสกก็ให้ตัดดังนี้จะกล่าวตามพระอัตถกถาก่อนกุสินั้นเป็นชื่อแห่งแผ่นผ้าที่ยาวเป็นต้นว่าอานุวา่าด้านยาวและด้านกว้างอันทกุศินั้นเป็นชื่อแห่งแผ่นผ้าที่ในระหว่างระหว่างมวลทนใหญ่ ในขันอันหนึ่งหนึ่งแห่งจีวรประกอบด้วยขันห้านี้ชื่อว่ามนทนมนทนเล็กในขันอันหนึ่งหนึ่งแห่งจีวรเช่นนั้นชื่อว่าอัฐะมนทนเย็บมนทนกับอัฐะมนทนติดเข้าในที่เดียวกันขันก็คือกระทงกลางชื่อว่าวิวัตะขันคือกระทงทั้งสองในข้างทั้งสองแห่งวิวัตะนั้นชื่อว่าอานุวิวัตะ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 มากล่าวว่าเป็นกุติด้วยนั้นเพื่อจะแสดงว่าแผ่นผ้าที่เล็กยาวชื่อว่ากุติสิ้นแต่ว่าตามวิธีทําชีวอนี้แผ่นผ้าที่เล็กยาวเสมอมณฑลชื่อว่ากุติแผ่นผ้าที่เล็กสั้นยืนตามอัฐะมณฑลกด็ดีอยู่ในระหว่างมณฑลและอัฐมณฑลกด็ดีชื่อว่าอันทกุติสิ้นกระทงยาวชื่อว่าวิวัตะกระทงทั้งสองในข้างทั้งสองชื่อว่าอนุวิวัตตะ ผ้าอัตถมนฑนที่ถูกคอในเวลาห่มชื่อว่าคิเวยกะผ้าอัตถมนตนที่ถูกแข้งชื่อว่าชังเกยะกะผ้าอัตถมนฑนที่ถูกมือชื่อว่าพาหันตะรวมความตามวาทะในอัตถคถาได้ความดังนี้แลจะกล่าวตามนักปราดผู้ฉลาดท่านคิดไว้ว่ากุตินั้นเป็นชื่อแผืนผ้าที่เล็กยาวยืนขึ้นไป ด้านกว้างตามมณฑลอัฏฐกุสิเป็นชื่อแผ่นผ้าที่เล็กสั้นยืนขึ้นด้านกว้างตามอัฏฐมณฑลและมณฑลนั้นเป็นชื่อท่อนผ้าที่ใหญ่ยาวยืนขึ้นไปด้านกว้างตามกุสิอัฏฐมณฑลก็เป็นชื่อท่อนผ้าที่ใหญ่สั้นยืนขึ้นไปด้านกว้างตามอัฏฐกุสิวิวัตะนั้นเป็นชื่อแผ่นผ้าที่เล็กยาวไปตามด้านยาว อยู่ในระหว่างมณฑลกับอัฐมณฑลและระหว่างกุติกับอันทกุติในกระทงกลางอนุวิวัตะเป็นชื่อแผ่นผ้าที่เล็กยาวไปตามด้านยาวอยู่ในระหว่างมณฑลกับอัฐมณฑลแต่อยู่ในระหว่างกุติกับอันทกุติข้างนอกในกระทงทั้งสองในข้างทั้งสองที่ไวยะกะนั้นคือกระทงกลางเพราะอัฐมณฑล ในกระทงนั้นถูกกัดคอในเวลาหมชังขยกะนั้นคือกระทงทั้งสองในข้างทั้งสองเพราะอาจท่ามทนในกระทงเหล่านั้นถูกกัดแข้งในเวลาหมผ้าหันตะนั้นคือกระทงทั้งสองในที่สุดเพราะอาจท่ามทนในกระทงนั้นอยู่ในที่สุดแถนในเวลาหมคําอันนี้พิจารณาในจีวรที่ประกอบด้วยขันห้า คือห้ากระทงให้นักปราผู้มีปัญญาพึงพิจารณาดูเถิดข้อหนึ่งพระองค์ทรงอนุ ญ, ญาตเลยว่าอนุชานามิพิขเวเข้อความละติจิวรังดิกุณังสังคาติงเอกจิยังอุตราสังคังเอกจิยังอันตรวาสกังแปลว่าเราตถาคตอนุ ญ, ญาตตรจิวรนผ้าสามผืน อนุญาตภาสังคติสองชั้นผ้าห่มชั้นเดียวผ้านุ่งชั้นเดียวข้อหนึ่งทรงอนุญาตไว้ว่าอนุชานามิภิกขเวยข้อความละอาหตานังดสานังอาหตะกัปปนังดิคุนังสังคาติงข้อความละอุตตะตานังดุสานังจตุคุณังสังคาติงดุคุณังอุตรสังกังดุกุณัง อนุตรวาสกังจำเป็นอนันตรวาสกังปังสุกูเลยาวะดัดทังปาปะนิเกอุตสาโหโกรณิโยแต่ว่าเราจะถากพัอนุญาตผ้าสังคติสองชั้นผ้าผมชั้นเดียวผ้านุ่งชั้นเดียวทําด้วยผ้าใหม่และผ้าที่ซักทีหนึ่งแล้วเมื่อผ้าถอนจากกระดูคือผ้าเก่าแล้วให้ทําเป็นสังคติสี่ชั้น เป็นผ้าห่มสองชั้นเป็นผ้านุ่งสองชั้นและในผ้าเป็นบางสกุลให้ทำเพียงใดใหแห่งความต้องการในผ้าที่ตกในระหว่างร้านตลาดเพิ่งทำความอุสาหะคือสแสวงหาก็แลในผ้าบางสกุลและผ้าทีริว้วซึ่งตกตามร้านตลาดนี้ไม่มีกำหนดแม้สักร้อยชั้นก็ควรผ้าทั้งกวงเหล่านี้พระองค์กล่าวไว้แก่พิจุที่จะยินดีอยู่ ก็แลผ้าตรายกีวรนี้เมื่อผ้าซึ่งจะตัดทั้งสามผืนไม่พอเพื่อทำให้เป็นผ้าตัดสองผืนทําเป็นผ้าไม่ได้ตัดผืนหนึ่งถ้าผ้าที่จะตัดไม่พอสองผืนเราไสให้ทําเป็นผ้าไม่ได้ตัดสองผืนทําเป็นผ้าตัดผืนหนึ่งด้วยทรงอนุญาตไว้ว่าอนุชาณามิพิคะเวเข้าความละดเวฉินนัการีิเอกังอัจฉินนักัง อนุชานามิพิกเวขความละเดเวอชินนาการิเอกังชินนกัรดังนี้ถ้าตัดแม้แต่ผืนหนึ่งไม่พอให้ติดผ้าอันวาทิกะอันวาทิกะก็คืออาคารตุ ก, กะปะตะหมายถึงแผ่นผ้าดามเข้าจะไม่ตัดเลยตัดผืนหนึ่งไม่ควรเพราะฉะนั้นผืนใดผืนหนึ่งนี้ต้องตัด ด้วยทรงอนุญาตนะฮะไว้ว่าอนุชานามิพิขเวเข้อความละอันจวาธิกังปิอาโรเปตุงนาจะาพิขเวสั บ, บังอาชินะกังทาเรต บ, บังแปลว่าเราตถาคตอนุญาตให้ยกแม้ซึ่งผ้าดามก็แต่พิตุอย่าพึงทรงผ้าไม่ได้ตัดเลยทั้งหมดถ้าเธอใดทรงผ้าเช่นนั้นต้องทุกกดก็แลผ้าดามนี้ เมื่อผ้าที่จะทำไม่พอพึงยกขึ้นดามเถอดถ้าผ้าที่จะทำพออยู่ไซส์อาคันตุกะปะตะคือผ้าดามไม่ควรพึงตัดให้ได้ทีเดียวจะกล่าวด้วยประมาณประมาณผ้าตรายจีวรนนั้นโดยกำหนดอุกฤอยางใหญ่ต่ำกว่าสุคตจีวรจึงควรถ้าอย่างใหญ่นี้ต้องต่ำกว่าขนาดสุคตจีวรน้าคือปูณหกคือพัุคตโดยกาหนดยางเล็ก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 ส่วนผ้าอันตรวาสตกโดยยาวสี่อกกับศอกมุติก็คือห้าสอกกามนั่นแหละโดยกว้างแม้สองอกก็ควรก็ห้าสอกกรารมคุณสองอกกลางยาวด้วยว่าสะดืออาจจะเอาผ้าห่มปิดก็ได้อยู่ผ้าที่ใหญ่และเล็กกว่าประมาณดังกล่าวนั้นไม่ควรจะอธิษฐานเป็นไตรชีวร ภ้าที่ทำแล้วพึงย้อมด้วยน้ำย้อมหกอย่างก็คือน้ำย้อมที่เกิดแต่รากและหัวและง้าแห่งไม้ทั้งปวงยกแต่หาฤทธิ์ดังก็คือขมิ้นเจียขมิ้นนี้เอามาย้อมไม่ได้ไม่ควรนะนอกจากน้นควรสิ้นน้ำย้อมเกิดแต่ต้นไม้ทั้งปวงยกเว้นมันเชดถังก็คือฝางตุงคหารังแกแลแกแลด้วยฝางด้วยสองสิ่งนี้ไม่ควรนอกนั้นย้อมควรสิ้น ไม้มีหนามอย่างหนึ่งชื่อว่าตุงข้าหาระน้ําย้อมเกิดแต่ต้นไม้นั้นสีดังหรอรดานน้ําย้อมเกิดจต่เปลือกไม้ทั้งปวงยกเว้นโลดดังโลดดังก็คือเปลือกโลดกันดลังเปลือกมาพูดสองอย่างนี้ตกเว้นนะนอกนั้นก็กวนติ้นน้ําย้อมเกิดแต่ใบทั้งปวงยกอันลิปปตังคือใบมะเตือเนีลปตังใบคราม ของสิ่งนี้เสียนองนั้นก็ควรสิ้นแต่ผ้าที่กระหัดเขาบริโภคแล้วนั้นจะย้อมด้วยใบอันลิปะตะก็คือใบมะเกลือหนหนึ่งก็ควรอยู่ถ้าเป็นผ้าที่กระหัดเขาบริโภคนี้ก็เอาใบมะเกลือมาย้อมก็ควรน้ำย้อมเกิดแต่ดอกไม้ทั้งปวงยกเว้นกินสูกับปุบผังดอกทองกวาวปุสมพระปุบผังดอกคำสองสิ่งนี้เสีย นอกนั้นควรสิ้นน้าย้อมเกิดแต่ผลไม้ทั้งปวงสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งจะไม่ควรไม่มีเลยบาลีซึ่งทรงอนุญาตน้าย้อมนั้นว่าอนุชานามิพิกเวกความละฉะราชานานิมูละรชนังขันทะกความละตาจาัจปาตตาปุภาภะรชนังดังนี้น้าย้อมที่ห้ามนั้นตามอัตถกถาน้ำย้อมทั้งหกนี้ ย้อมเข้าแล้วให้พ้นสีที่ทรงห้ามเจ็ดอย่างมีสีเขียวเป็นต้นดันงกล่าวแล้วในจีวรปฏิสังยุตและให้พ้นสีดังนาช้างและฟางข้าวเหล่านี้เสียจึงควรอาการซึ่งจะยอมผ้านั้นพึงเปิดบัติดังกล่าวแล้วในปริคารกถานั้นเถิดย้อมแล้วพึงทํากับปะพินทุด้วยของเขียวหรือตมหรือว่าของดําอันใดอันหนึ่ง ในที่แห่งใดแห่งหนึ่งยกแต่รังดุมลูกดุมเสียคือทำที่ตัวผ้าชีวเนี่ยยกเว้นรังดุมลูกดุมให้โตเท่าเวลตาลนกยูงจุดกลมกลมให้เท่าแวลตานกยู ง, แ ล, ยงแล้วก็กล่าวคําว่าอิมังพินทุ ก, กับปังคารโอมิดังนี้แล้วพึ่งอธิษฐานเถิดก็แลอธิษฐานผ้าเป็นสองอย่างก็คืออธิษฐานด้วยกายอย่างหนึ่งอธิษฐานด้วยวาจาอย่างหนึ่ง ถ้าผ้าสังขาติเก่ามีอยู่พึ่งถอนอธิษฐานเสียด้วยคําว่าอิมังสังขารติงปัจจุธารามิข้าพเจ้าถอนสังขติผืนนี้แล้วก็เอามือจับผ้าสังขติใหม่หรือวางไว้ในอวัยวะในตัวแล้วก็ทําความผูกใจว่าอิมังสังขารติงอธิษฐานมิเราอธิษฐานผ้าสังขติผืนนี้ทํากายยวิการอยู่ก็คือเอามือรูกทาไปรูปกลับมาเนี่นะ อธิษฐานด้วยกายเถิดนี้แลชื่อว่าอธิษฐานด้วยกายอธิษฐานด้วยกายนั้นจะไม่ถูกต้องด้วยอวาาัยวะตัวแห่งใดแห่งหนึ่งไม่ควรก็คือจะต้องเอาอวัยวะย่ใดอย่างหนึ่งนี่ถูกต้องกับสังขติอยู่แต่ในอธิษฐานด้วยวาจานั้นพึงทำวจีเพศอธิษฐานว่าอิมังสังคาติงอธิษฐานมิดังนี้อธิษฐานด้วยวาจาก็ต้องเปล่งวาจามานะ ถ้าอาิษฐานด้วยกายก็บมพึ่งพำอยู่ในใจก็ได้แต่ว่ามือก็ต้องลุกคาไปลูกคำ ม, มาอธิษฐานนั้นมีอีกสองอย่างก็คือในหัตบาทกับนอกหัตบาทถ้าภาพอยู่ในหัตถบาทไซส์ให้แเดงวาจาว่าอิมังสังคาติงอธิษฐานมิไอสานชังวาจาเนี่ยมีสองอย่างในหัตบาทกับนอกหัตบาทถ้าอยู่ในหัตบาทก็ให้แสดงวาจาอิมังสังคติงอธิษฐานมิดังนี้ ถ้าผ้าอยู่ภายในห้องหรือว่าบนประสาทถือว่าในกุดีไกลให้กําหนดที่วางไว้แล้วก็เปล่งวาจาว่าเอตังสังคาติอธิฐานนี้เราอธิษฐานผ้าสังคาติผืนนั่นดังนี้เถิดในผ้าอุตตรสงและอันตรวาศกก็เหมือนกันอย่างนั้นด้วยว่าแปล ก, กันแต่ชื่อเท่านั้นเพราะเหตุนั้นผ้าทั้งปวงพึงปัดจุดทอและอธิษฐานตามชื่อผ้านั้นๆเถิด จะประจุดทองถอนอธิษฐานผ้าห่มอยู่ใกล้ก็ว่าอิมังอยู่ไกลก็ว่าเอตังเอตังอุตราสังคังประจุธรานิผ้านุ่มถ้าอยู่ใกล้ก็ว่าอิมังอยู่ไกลก็ว่าเอตังอันตรวาสกังปัจจุดธรานิอธิษฐานผ้าห่มถ้าอยู่ใกล้ก็ว่าอิมังอยู่ไกลว่าเอตังอุตราสังคังอธิษฐานมิ ถ้านุ่งอยู่ใกล้ก็ว่าอิมังอยู่ใกล้ก็ว่าเอตังอันตราวาสกังอธิษฐานนี้ก็มีคำถามว่าตราจีวรจะอจธิษฐานเป็นบริขารโจรจะควรหรือไม่ควรแก้ว่าได้ยินว่าพระมหาปทุมเถระท่านกล่าวไว้ว่าผ้าไตรจีวรต้องอธิษฐานเป็นตรายจีวรแท้ถ้าผ้าตราจีวรจะพึงอธิษฐานเป็นบริขารโจรได้เราใส่ บริหารการรักษาตรจีวรในอุทโทสิตสิกขาบทก็จะพึงไม่มีประโยชน์ไปเสียคำของพระมหาปตุมเถระนี้แหละชอบแท้แต่ว่าในอัตถิฐาท่านก็แสดงความคิดเห็นนะว่ามีพระเถระอีกหลายท่านที่บอกว่าการที่ถอนอธิษฐานและก็าอธิษฐานเป็นอธิษฐานโจรเหมาะสำหรับผู้ที่อยู่ป่าจะได้ไม่ต้องกังวลผู้ที่ อยู่ปลาแล้วก็จเจริญทำถ่ายปาัตนาจะตปองกังวลมากๆสรรมถานไม่เจริญเหมาะในการพิจารฐานเป็นบริคารโจรในเทวฐา น, น, นาาท่านให้ความเห็นอย่างนั้นแต่ว่าพระมหาปทุมนี้ก็บอกว่าควรที่จะไอถ า, านเป็นภ้าตราจีวร อ, อย่างเดิมไม่ควรไอาฐานเป็นบริคารโจรเพราะว่าไม่ได้บริหารในการรักษาสิขาบท mm hmm. ในการรักษาตรายจีวรในสิขาบทอุโดสิตะก็ อ, อยู่ประจากตรายจีวรสิณราตรีหนึ่ง mm hmm. ก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีสุะสงค์ให้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 ถ้าปิดปีนี่ก็สี่คืบคุณสองคืบของพระสุคตแต่ถ้าภูนอนถ้าเช็ดหน้าถ้าบริการโจรสาม น, นี้วิธีจะทําและประมาณนั้นพระองค์หาได้กล่าวไว้ไม่ถ้าอาบนั้นฝนที่ไม่เกินประมาณพึงอธิษฐานสิ้นสี่เดือนฤดูฝนโดยในดังกล่าวแล้วนั้นเถิดทาอธิษฐานก็ว่าอิมังวัต ส, สิกะสาติกามติฐามิดังนี้เบื้องหน้าแต่ดูฝนสี่เดือนแล้วไปพึงทอนอธิษฐานเสีย แล้วก็วิกับไว้ผ้าอานุปนนี้แม้จะย้อมพอทำลายสีก็ควรแต่สองผืนไม่ควรได้แค่ผืนเดียวผ้ารองนั่งพึงอธิษฐานโดยในดังกล่าวและเถิดคำอธิษฐานนี้ว่าอิมังนิสีเดดังอธิษฐานมิดังนี้ก็แล้วผ้ารองนั่งนั้นกอบด้วยประมาณผืนเดียวจึงควรสองผืนไม่ควรแม้ผ้าปูนอนต้องอธิษฐานแท้คาอธิษฐานว่าอิมัง ปัจจัทรนังอธิษฐามิดังนี้แต่ถ้าปูนอนแม้จะใหญ่ก็ควรแม้ผืนเดียวก็ควรแม้มากก็ควรเอาไว้ผลักเปลี่ยนกันนั้ใช้หลายผืนได้ถ้ามากก็อธิษฐานว่าอีมานิปัจจัทรนานิอธิษฐามิดังนี้ผ้าปูนอนนี้แม้จะเขียวหรือเหลืองมีชายหรือว่ามีชายดังดอกไม้ก็ดีทัานปวงควรทั้งสิน้นอธิษฐานคราวหนึ่งแล้วก็เป็นอธิษฐานแท้ อธิษนครั้งหนึ่งคือต้องอธิถฐานบ่อยๆผ้าปิดฝีประกอบด้วยประมาณยังอ า, าพาธอยู่ปราบใดก็พึงอธิษฐานตราบนั้นถ้ามอาธิษฐานว่าอีมงังกันรูปฏิชขาด่งอธิษฐานนี้ดังนี้เมื่ออ า, าพาธระงับแล้วพึงปัดจุดถอนเสียก็คือถอนแล้วก็บิดกลับไว้ผ้าปิดฝีนี้ควรแต่ผืนเดียวเท่านั้น ถ้าเช็ดหน้าต้องอธิษฐานแท้คําอธิษฐานว่า อ, อิมงังมุขะคุณชนะโจรังอธิษฐานิดังนี้ผืนหนึ่งยังซักอยู่ตราบใดผืนอื่นจะต้องปรารถนาเพื่อจะบริโภคตราบนั้นเพราะเหตุนั้นถ้าเช็ดหน้านี้แม้สองผืนก็ควรเป็นผ้าเช็ดหน้าของท่านก็คงจะต้องใหญ่เพราะที่ต้องอธิษฐานเนี่ยหมายถึงว่าแปดนิวน้วคูณสี่นิ้วพระสกตจึงควรอธิษฐานแต่ว่าถ้าเล็กกว่านั้นเหมือนกับผ้าเช็ดหน้าของผู้ชายสมัยนี้ก็ กว้างยาวไม่ถึงแปดนิ้วคูณสี่นิ้วอ่ังนั้นถ้าเล็กก็ไม่จําเป็นต้องอธิฐานถ้าบริษฐานโจรแม้เป็นถุงบาตและผ้ากรองน้ําที่มีประมาณเท่าปัดฉิมจีวรซึ่งควรวิกัปคือแปดนิ้วคูณสี่นิ้วทั้งหมถือว่าสอกหนึ่งคูณคืบหนึ่งกว้างยาวของช่างไม้ปัจจุบันเนี้ยต้องอธิษฐานเป็นบริษฐานโจร ทำอิทานนี้ก็อีมังจีวรังปริคขาระโจรงอธิฐามิต้องได้ขนาดจึงอิฐานดังนี้มากด้วยการแม้จะรวมกันเข้าอธิษฐานว่าอีมานิ้าาจีวรานิปริคขาระโจรา ن ิอธิษฐานมิดังนี้ก็ควรแท้แต่ในผูกเตียงผูกตังหมอนผ้าปาวานผ้าโกเชาเหล่านี้ก็ดีและถ้าปัจจัตทะระเครื่องลาด ซึ่งเขาถวายเพื่อเป็นบริการแห่งเสนาสนะก็ดีเหล่านี้กิจซึ่งจะอธิษฐานไม่มีเลยถ้าเป็นของประจำเสนาสนะนี้ไม่ต้องไปอธิษฐานถ้าที่จะอธิษฐานทั้งปวงผืนเดียวถ้าอยู่นอกคันดบาสให้ว่าเอตังแทนอีมังหลายผืนตั้งว่าเอตานิแทนอีมานิ I i, ดังนี้เถิดปัจจุดทอนอธิษฐานผ้าปัจจุทธร ก, ก็คือการถอนอธิษฐานก็คือการให้ตั้งเอาไว้ตามชื่อของเขาว่าดังนี้ อิมังสังคาติงประจุธรามิขับเจ้าถอนสังคติผืนนี้อิมังอุตราสังขังประจุทธรามิขับเจ้าถอนอุตระสองผืนนี้อิมังอันตรวาสกังประจุทธรามิขับเจ้าถอนอันตรวาตกูผืนนี้อิมังนิสีตนางประจุธรามิขับเจ้าถอนผ้าภูนั่งผืนนี้อิมังวัสิกังสาติกังประจุทธรามิขับเจ้าถอนผ้าอารนภำฝนผืนนี้อิมังการุปปติฉาดิงประจุทธรามิขับเจ้าถอน ผ้าติดสีผืนนี้อิมังปัจจัทรนังปัจจุทธามิขับเจ้าถอนผ้าปูนอนผืนผนี้อิมังมุขาปุลชนะโจรปัจจุทธามิขับเจ้าถอนผ้าเช็ดหน้าผืนนี้อิมังบริขารโจรปัจจุทธามิขัาเจ้าถอนบริขารโจรผ้าบริขารโจรผืนนี้ถ้าหลายผืนก็ว่าดังนี้อิมานิปัจจัทรนานิปัจจุทธามิขับเจ้าถอนผ้า ปูนอนหลายผืนเหล่านี้อิมานิมุกะปุญชนาโจรานิปจุตรามิขับเจ้าถอนผ้าเช็ดหน้าหลายผืนเหล่านี้อิมานิปตะขาะโจรานิปจุทรามิขับเจ้าถอนผ้าบริหารโจรทั้งหลายเหล่านี้ดังนี้เถิดอธิษฐานกถาจบต่อไปก็ด้วยตรงอนุญาตไว้ว่าอนุชานามิ ข้อความละอะติเรกจีวรังวิกัปเปตุงอนุชานามิพิคเวข้อความลกอาญาเมนะอถฐังพุลังสุขตังคุเลนะจตุรังคุละวิททตังปัจฉิมังจีวรังวิกัปเปตุงแปลว่าเราจะถากด อ, อนุญาตให้วิกัปผ้าอัจะเดกจีวนรนเตืองของวิกัปนะถ้าเป็นอัจเดกจีวรก็ต้องวิกัปเอาไว้ เพราะว่าถ้าเกินสิบวันไปก็ต้องอาบัตในสกยยาปจิตีข้อหนึ่งเราจะถาคตัอนุญาตให้วิกับผ้าปักชิมมะจีวอนคือผ้าอย่างเล็กใดยาวแปดนิ้วว้างสี่นิ้วด้วยนิ้วพระสุคตเป็นอย่างเล็กก็แนผ้าอย่างเล็กควรวิกับนั้นว่าตามสุกตะวิทัทธิวิธานปกรณ์ว่าประมาณตามนิ้วช่างไม้ทุกวันนี้ยาวสิบนิ้วกับสามกระเบียด กว้างห้านิ้วกับกระเบียดดึงกับอีกสองอนุกระเบียดอันหนึ่งถ้าอาบน้ําฝนผ้าปิดฝีพ้นการในติทานแล้วพึงวิกับโดยวิธีดังนี้ด้วยเพราะฉะนั้นผ้าที่เหลือเฟือมาเนี่นะเป็นอัจจะเด็กจีวรเนี่ยถ้าจะเก็บเอาไว้ก็ต้องวิกับใน่งั้นก็ต้องอธิษฐานต่อให้เกินสิบวันไปก็ต้องอบัดนี่สกิยาปฏิตรีแล้วก็พวกผ้าปิดฝีผ้าอาบน้ำฝนถ้าพ้นการแล้วก็ต้อง วิกัพเอาไว้วิกัพนั้นมีสองอย่างก็คือวิกัพต่อหน้ากับวิกัพรับหลังวิกัพต่อหน้านั้นดัง น, นี้พึงรู้ว่าผ้าผืนเดียวและมากและตั้งอยู่ ใ, ลใกล้และไกลในหัตถบัตอยู่ใกล้ผืนเดียวพึงกล่าวว่าอิมังชีวรังหลายผืนว่าอีมานิชิวราณิถ้าอยู่ไกลผืนเดียวก็ว่าเอตังจีวรังหลายผืนก็ว่าเอตานิจิวราณิแล้วลงปลายว่า ตุยหังวิกัปเปมิดังนี้ทุกทีในสำนักภิจุรูปหนึ่งเถอเช่นอีมังจีวรังตุยหังวิกัปเปมิอันนี้ชื่อว่าวิกัปต่อหน้าอย่างหนึง่งด้วยวิกัปเท่านี้จะเก็บไว้ย่อมควรจะบริโภคหรือว่าเสียสนะหรืออธิฐานไม่ควรต่อเมื่อผู้รับวิกัปกล่าวว่าไม่หังสันตการหรือว่าไม่หังสันตการนี้ตามผืนเดียวและมาผืน แล้วลงตอนท้ายว่าปาลิพุญชวาวิสัชเชหิวายถาปัจจยังวาคโรหิดังนี้แล้วชื่อว่าเป็นอันปัจจุทอนคือถอนให้แล้วตั้งแต่ปัจจุทอนแล้วไปแม้จะบริโภคเป็นต้นกวรอยู่อีกอย่างหนึง่งเพิงรู้ว่าผืนเดียวหรือมากผืนและตั้งอยู่ใกล้หรือว่าไกลแล้วกล่าวว่าอีมังคีวรางหรือว่าอีมานิคีวราณ้หรือว่าเอตังคีวรังหรื อ, อวา่า เ, เอตานิจีวราณิดังก่อน ในสำนักพิจุรูปหนึ่งแล้วถือเอาชื่อแห่งสาธรรมิกทั้งห้าผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งตนชอบใจแต่ไม่อยู่ในที่นั้นแล้วก็ลงท้ายว่าจิตศัตสระ พ, พิคุโนวิกาเปมิหรือว่าติดศัตสระสามเณรสระวิกาเปมิดังนี้ตามชื่อสาธรรมิกซึ่งตนชอบใจนั้นทุกครั้งทุกทีในสำนักพิจุรูปหนึ่งนั้นเถิด แม้อันนี้ก็ชื่อว่าวิกัปต่อหน้าอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันด้วยวิกัปเท่านี้จะเก็บไว้ย่อมควรแต่ในการบริโภคเป็นต้นแม้แต่สิ่งหนึ่งก็ไม่ควรจะไปเสียสละอธิษฐานไม่ได้บริโภคไม่ได้ตอ่อเมื่อพิกจุซึ่งรับวิกัปต่อหน้านั้นกล่าวว่าติดสัตสัพคุโนสันตะกังเขาคำละติดสัตสัมเนรสสันตะกังปริพุนชวาวิตตัชเชหิวายถาปัจจังวาคารโอหิดังนี้ ตามชื่อสาธรรมิตตึ่งวิกัไว้นั้นแล้วจึงชื่อว่าเป็นอานปัจจุทรก็คือถอ น, จจอนตั้งแต่เวลาปัจจุทรแล้วไปแม้จะบริโภคเป็นต้นย่อมควรวิกัพต่อหน้าสองอย่างวิกัพเอ่ยชื่อเขาสาธรรมิกก็ไม่เอ่ยชื่อสาธรรมิกส่วนวิกับรับหลังนั้นดังนี้เพิ่งรู้ว่าผ้าผืนเดียวนะมากและตั้งอยู่ใกล้หรือไกล และแปลว่าอิมังจีวระน์หรือว่าอีมานิจีวราณิหรือเอตังจีวระน์หรือเอตานิจีวราณิดังก่อนลองปลายว่าตุยหังวิกัปปนัฏฐายะดมิดังนี้ในตำนักนนพิจูรูปหนึ่งเถิดพิจูนั้นพึงถามเจ้าของผ้าว่าใครเป็นมิตรหรือว่าใครเป็นเพื่อนเห็นหรือว่าเป็นเพื่อนกินของท่านเล่าดังนี้แล้วเจ้าของผ้าก็พึงบอกชื่อตามชอบใจว่าพิจูชื่อติตตาหรือว่าสัมมณีชื่อติตตะ เป็นมิตรเป็เพื่อนของข้าพเจ้าดังนี้ตามชอบใจของตนแล้วที่สู่ผู้รับวิกัพนั้นพึงกล่าวอีกว่าอาหางติดสัตตาพิกุโนโด ม, มิหรือว่าอาหางติดสัตสัมเนรสะดมิดังนี้ตามชื่อที่เจ้าของขาาบอกนั้นเถิดอันนี้ชื่อว่าวิกัพรับหลังด้วยวิกัพเท่านี้จะเก็บไว้ย่อมควรแต่จะบริโภคเป็นต้นแม้แต่สิ่งหนึ่งย่อมไม่ควร ต่อเมื่อพิจูผู้ช่วยรับวิกับให้นั้นกล่าวคำเป็นต้นว่าติดศาสนาพิกุโนสันตกาปริพุนชวาวิตาเชหิวายถาปัจยังวากโรหิโดยในดังกล่าวแล้วในวิกับต่อหน้าที่สองนั้นแล้วจึงเป็นอันปัจจุทอนก็คือถอนตั้งแต่ปัจจุทอนแล้วไปแม้จะบริโภคเป็นต้นย่อมควรถามว่าวิกัพต่อหน้ารับหลังสองอย่างนั้นแปลกันอย่างไร วิกลับต่อหน้ากับวิับรับหลังนี่มันต่างกันยังไงแค่ว่าในวิกลับต่อหน้านั้นวิกลับเองแล้วก็ให้ผู้อื bueno. ่นถอนวิกลับเองแล้วได้ผู้อื่นถอนในวิกลับรับหลังนั้นให้ผู้อื่นวิกลับให้ด้วยแล้วก็ให้ผู้อื่นถอนให้ด้วยเพราะฉะนั้นมีความแตกต่างกันวิกลับต่อหน้านั้นตัวเองวิกลับแต่ว่าให้คนที่รับวิกลับถอนให้ถ้าวิกลับรับหลังนี่ให้ผู้อื่นวิกลับให้ด้วยแล้วก็ให้คนอื่นถอนให้ด้วย ถ้าแลวิกัพแก่ผู้ใดผู้นั้นเป็นคนไม่ฉลาดในบัญญัติไม่รู้จักจะถอนพึงถือเอาผ้านั้นไปหาทิศอื่นซึ่งเป็นคนฉลาดพึงวิกัพอีกแล้วให้เธอนั้นถอนให้วิกัพซ้ําซึ่งผ้าที่วิกัพไว้แล้วนั้นย่อมควรไม่เป็นได้ถ้าเกิดไปให้ใครวิกัพแล้วก็พิการุรูปนั้นก็ไม่รู้วิธีการถอนวิกัพแล้วไปวิกัพใหม่แล้วก็ให้กระถอนให้ในดีกาวิมติวิโนธนีกล่าวว่าซึ่งคํา ในอัตถกาถากล่าวว่าตั้งแต่ปัดจุดทอแล้วไปแม้จะบริโภคเป็นต้นย่อมควรด้วยคำนี้แสดงว่าแม้ถึงทําการปัดจุดทถอนแล้วผ้านั้นก็คงเป็นผ้าวิกัปอยู่นั่นเองจะเป็นอัตเตกีวรไปนั้นหามิได้แต่ความจริงถอนแล้วมันก็นาาก่าจะพ้นจากภ้าวิกัปนะเคยวิกัปแต่ว่าถอนวิกัปแล้วก็ไม่ได้วิกัปแล้วนี่แต่ว่าในนี้ท่านก็บอกว่า ก็เป็นผ้าวิกัปอยู่นั่นเองไม่เป็นอัตติจิวรแต่ผ้านั้นที่ตุอย า, ากจะอธิษฐานด้วยชื่อแห่งตรจิวรเป็นต้นก็พึงอธิฐานเถิดแต่เธอผู้ไม่อยากอธิษฐานก็พึงทําให้เป็นผ้าวิกัปอยู่เช่นนั้นบริโภคเถิดกล่าวดังนี้แล้วก็ห้ามคําอาจารย์บางพวกซึ่งกล่าวว่าวิกัปแล้วได้แต่เก็บไว้อย่างเดียวถ้าถอนวิกัปแล้วพึงอธิษฐานบริโภคดังนี้แล้ว ก็อ้านเหตุและอุทานถอนต่างๆใจความสังเกตว่าวิกัปแล้วให้ถอนวิกัปเสร็จแล้วบริโภคเถิดแวัร่วงสิบวันไม่เป็นนิสกีผู้มีปัญญาพึงพิจารณาเอาเถิดวิกัปนกปนากะถาจบอันนี้ก็เป็นเรื่องของการวิกัปเพราะนั้นท่านก็บอกวอาวิกัปแล้วเมื่อถอนแล้วก็ไม่ใช่เป็นผ้าวิกัปแล้วให้ใช้ไปได้เลยไม่ต้องอธิฐานก็ได้ แต่ว่าก็มีบางในที่ท่านก็ขัดแย้งอยู่นี่ก็ควรพิจารณาต่อไปอธิษฐานและวิกับสองอย่างนี้พึงทำในผ้าอัจติจีวรแต่ภายในสิบวันถ้าไว้ให้ผ้านั้นเกินสิบวันไปผ้านาั้นเป็นนิสกีต้องปาจิตตีด้วยปฐมกถินสิกขาบทเก็บผ้าอัจติกีวรเกินสิบวันเนี่ยต้องนิสักยปาจิตตี จีวราพิฐานะวิกัปปนาจบเรื่องของการอดิษฐานและวิกัปจีวรวันนี้ก็สมควรกัเวลาขอให้ท่านได้ตั้งอยู่ในพระธรรมวินัยโดยเฉพาะสิกขาบทที่เป็นอธิสิลัสิกขาในปาติโมกแล้วก็นอกปาติโมกเหล่านี้ซึ่งเป็นอธิศิลัสิกขาเพื่อกุลแก่อธิจิตและก็อธิปัญญาขอให้ท่านได้ต่องพร้อมบริบูรณ์ด้วยตรีสิกขาประชุมอริยมรรคมรรแปดและก็ตั้รู้อริยสัจธรรมตามกันตนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นผู้พ้นจากวัตตะโดยทั่วกันเทินสาธุสาธุสาธุ